ถวายอภิวาทของเจ้ามันละขณะนั้นพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินารากําลังประชุมกันอยู่ที่สันทาคารด้วยราชกิจบางอย่างท่านพระอานนท์เข้าไปที่สันทาคารของพวกเจ้ามันละถวายพระพรว่าว่าเศรษฐาทั้งหลายพระตถาคตจะปรินิพานในปชิมยามแห่งราตรีวนันนี้ท่านทั้งหลายจงรีบออกไปจงรีบออกไป จะได้มีเสียพระไทยในภายหลังว่าพระตถาคตปรินิพานในเขตบ้านเมืองของพวกเราพวกเรากลับไม่ได้เฝ้าพระตถาคตเป็นครั้งสุดท้ายพวกเจ้ามันละโอรสสุนิสาและประชาบดีของพวกเจ้ามันละพอสับย์คำของท่านพระอานนนทรงเศร้าเสียพระไทยเปี่ยมไปด้วยโทมนัสบางพวกสยายพระเกศาทรงประคองพระพาหา กันแสงคร่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดทรงเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคดวนปรินิพานพระสุคดวนปรินิพานเสียจากสุขของโลกจากดวนอันตรธานไปจากนั้นพวกเจ้ามันละโอรสสุนิสาและประชาบดีของพวกเจ้ามันละทรงเศร้าเสียพระไทยเปี่ยมไปด้วยโทมนต ต่างพากันเข้าไปหาท่านพระอนนท์ที่สารวันซึ่งเป็นทางเข้ากรุงกุสินาราของพวกเจ้ามันละครั้งนั้นท่านพระอนนท์คิดดังนี้ว่าถ้าเราจะให้เจ้ามันละทั้งหลายผู้ครองกรุงกุสินาราถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทีลองค์ทีละองค์จะถวายอภิวาทไม่ทั่วกันราตรีจะสว่างก่อนทางที่ดีเราควรให้ได้ถวายอภิวาทตามลาดับตระกูล โดยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้ามันละมีชื่อนี้พร้อมโอรสชายาบริษัทและอัมมาศขอถวายอภิวาทพระยุคนบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียรแล้วจึงจัดให้เจ้ามันละทั้งหลายผู้ครองกรุงกุสินาราถวายอภิวาทตามลำดับตระกูลโดยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เจ้ามันละมีชื่อนี้พร้อมโอรสชายาบริษัทและอมาตต์ขอถวายอภิวาทพระยุ ค, คลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียรด้วยวิธีนี้ท่านพระอานนท์สามารถจัดให้เจ้ามันละทั้งหลายถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคได้เสร็จช่วงเวลาปฐมยามเท่านั้น เรื่องสุพัทธปริพาชกสมัยนั้นสุพัทธปริพาชกอาศัยอยู่ในกรุงกุสินาราได้ทราบว่าพระสมณาโคโดมจะปรินิพานในปชิมยามแห่งราตรีวันนี้เขาคิดดังนี้ว่าเราได้ฟังคำของพวกปริพาชกผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาจารพูดกันว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จะทรงอุบัติขึ้นในโลกเป็นครั้งคราวพระสมณะโคโดมจะปรินิพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้ก็เรายังมีความสงสัยอยู่เราเลื่อมใสท่านพระสมณะโคโดมอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมจะแสดงธรรมให้เราละความสงสัยนี้ได้จึงเข้าไปหาท่านพระอานุนที่สารวันซึ่งเป็นทางเข้ากรุงกุสินาราของผู้เจ้ามันละได้กล่าวกับท่านพระอา น, นุ์ดังนี้ว่า ท่านอานน n เขาพระเจ้าได้ฟังคำของพวกปริพาชกผู้แก่ผู้เท่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นป า, าจารย์พูดกันว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นในโลกเป็นครั้งคราวพระสมณโคโดมจะปรินิพานในปัชิมยามแห่งราตรีวันนี้เขาพระเจ้ายังมีความสงสัยอยู่เขาพเจ้าเลื่อมใสพระสมณโคโดมอย่างนี้ว่า พระสมณโคโดมจะแสดงธรรมให้ข้าพเจ้าละความสงสัยนี้ได้ขอโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เฝ้าพระสมณโคโดมเถิดเมื่อสุพัทธ์ปริพาชกกล่าวอย่างนี้ท่านพระอา น, นุ์ตอบว่าอย่าเลยสุภัทธ์ผู้มีอายุท่านอย่ารบกวนพระตถาคตเลยพระผู้มีพระภาคทรงเหน็ดเหนื่อยแม้ครั้งที่สองสุภัทธ์ปริพาชกก็กล่าวกับท่านพระอา น, นุ์ดังนี้ว่า ละถึงแม้ครั้งที่สามสุภัทธาปริพาชกก็กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์ข้าพเจ้าได้ฟังคําของพวกปริพาชกผู้แก่ผู้เท่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปร า, ารย์พูดกันว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นในโลกเป็นครั้งคราวพระสมณโคโดมจะปรินิพานในปชิมยามแห่งราตรีวันนี้ข้าพเจ้ายังมีความสงสัยอยู่ ข้าพเจ้าเลื่อมใสพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมจะแสดงธรรมให้ข้าพเจ้าละความสงสัยนี้ได้ขอโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เฝ้าพระสมณโคดมเถิดแม้ครั้งที่สท่านพระอานนนก็กล่าวกับสุพัทธ์ปริพาชกดังนี้ว่าอย่าเลยสุพัทธ์ผู้มีอายุท่านอย่ารบกวนพระตถาคตเลยพระผู้มีพระภาคทรงเหน็ดเหนื่อย พระผู้มีพระภาคทรงได้ยินถ้อยคำของท่านพระอานนท์เจรจากับสุพัทธะบริพาชกจึงรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอย่าห้ามสุพัทธะเลยอานนท์ให้สุพัทธะเข้ามาหาตถาคตเขาจะถามปัญหาบางอย่างกับเราเขาจะถามเพื่อหวังความรู้เท่านั้นไม่หวังรบกวนเราอันหนึ่งเมื่อเราตอบสิ่งที่ถามเขาจะรู้ได้ทันที ลำดับนั้นท่านพระอานน์ได้กล่าวกับสุพัทธะปริพาชกดังนี้ว่าไปเถิดสุพัทะผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคประธานโอกาสแก่ท่านสุพัทธะปริพาชกจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสมณพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นอาจารย์มีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิประชาชนยกย่องกันว่าเป็นคนดีได้แก่ปุรณะกัสปะมะคคิโคสารอาิตะเกตกรพล ปะกุทะกัจจายนะสัญชัยเวลัธบุตรนิครนนาตบุตรเจ้าลทัทธิเหล่านั้นทั้งหมดรู้ตามที่ตนกล่าวอ้างหรือไม่ได้รู้ตามที่ตนกล่าวอ้างหรือบางพวกรู้บางพวกไม่รู้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสุพัทธ์ยาเลยเรื่องที่เธอถามว่าเจ้าลทัทธิเหล่านั้นทั้งหมดรู้ตามที่ตนกล่าวอ้างหรือไม่รู้ตามที่ตนกล่าวอ้าง หรือบางพวกรู้บางพวกไม่รู้อย่าได้สนใจเลยเราจะแสดงธรรมแก่เธอเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุพัทธะปริภาชกทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าสุพัทธะในธรรมวินัยที่ไม่มีอริยมรตมีองค์8ย่อมไม่มีสมณะที่หนึ่งย่อมไม่มีสมณะที่สอง ย่อมไม่มีสมณะที่สามย่อมไม่มีสมณะที่สี่ในธรรมวินัยที่มีอริ uh, ยมรรคมีองค์8ย่อมมีสมณะที่หนึ่งย่อมมีสมณะที่สองย่อมมีสมณะที่สามย่อมมีสมณะที่สี่สุภะทะในธรรมวินัยนี้มีอริยมรรคมีองค์8สมณะที่หนึ่งมีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สองมีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่สามมีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นลัตที่อื่นว่างจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงสุพัทธะถ้าภิษุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่างจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายสุพัทธะเราบวชขณะอายุ29ปีสแสวงหาว่าอะไรคือกู่สลเราบวชมาได้ห0ปีขวา ยังไม่มีแม้สมณะที่หนึ่งภายนอกธรรมวินัยนี้ผู้อาแสดงธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุกได้ไม่มีสมณะที่สองไม่มีสมณะที่สามไม่มีสมณะที่สี่และที่อื่นว่างจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงสุพัทะถ้าพิกสุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ สุพัทธปริพาชกเรียกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทาง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 ประสงค์จะบรรปชาประสงค์จะอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ต้องอยู่ปริว่าสี่เดือนหลังจากสี่เดือนล่วงไปเมื่อพิกษุพอใจก็จะให้บรรปชาจะให้อุปสมบทเป็นภิกษุได้อันหนึ่งในเรื่องนี้เราคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยสุพัทธปริพาโชกราบทูลว่าหากผู้ที่เคยเป็นอัญญเดรธีประสงค์จะบรรปชาประสงค์จะอุปสมบท ในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนหลังจากสี่เดือนล่วงไปเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บัณประชาจะให้อุปสมบทเป็นภิกษุได้ข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาส4ี่ปีหลังจากสี่ปีล่วงไปเมื่อภิกษุพอใจก็จงให้บัณประชาจงให้อุปสมบทเป็นภิกษุเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับจังเรียกท่านพระานนท์มาตรัสว่า อาโนนถ้าเช่นนั้นเธอจงให้สุพัท h a บวชท่านพระอาโนนทูลรับสนองพระดํารัสแล้วในขณะนั้นสุภั tha ปริพาชกจึงกล่าวกับท่านพระอานน์ดังนี้ว่าท่านพระอานน์เป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วที่พระาศาสดาทรงแต่งตั้งท่านโดยมอบหมายให้บรรพชาอันเตวาสิกในที่เฉพาะพระพัก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 เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบโภมาจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านสุพัท ธ, ธได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้เป็นสัก ข, ขิสาวกองค์สุดท้ายของพระผู้มีพระภาคพาณวาระที่ห้าจบ ปัชิมวาจาของพระตถาคตต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอาน o น์มาตรัสว่าอา n น o น์บางทีพวกเธออาจจะคิดว่าป้าพศมีพระาศาสดาล่วงละไปแล้วพวกเราไม่มีพระาศาสดาข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายหลังจากเราล่วงละไป ก็จะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายอานน์เมื่อเราล่วงละไปภิกษุไม่ควรเรียกกันและกันด้วยวาทะว่าอาวุโสเหมือนดังที่เรียกกันตอนนี้ภิกษุผู้แกกว่าพึงเรียกภิกษุผู้อ่อนกว่าโดยชื่อหรือตระกูลโดยวาทะว่าอาวุโสก็ได้ภิกษุผู้อ่อนกว่าพึงเรียกภิกษุผู้แกกว่าว่าพันเตหรืออายสมาก็ได้ อานนเมื่อเราล่วงละไปถ้าสงปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียบ้างก็ถอนได้อาโนนเมื่อเราล่วงละไปสงพึงลงโพรมทันแก่ภิกษุชนนะท่านพระอาโนนทูลถามว่าโพรมาทัน์เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาโนนภิกษุช น, นะพึงพูดได้ตามต้องการแต่ภิกษุ ไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนพร่ำสอนเธอลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุแม่เพียงรูปเดียวพึงมีความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคหรือในปฏิปทาข้อปฏิบัติเธอทั้งหลายจงถามเถิดจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่าพระาศาสดายังอยู่ต่อนหน้า เราไม่กล้าทูลถามในที่เฉพาะพระพักเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นได้นิ่งเงียบแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายตรัสว่าและถึงแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ถ้าพิสุแม้เพียงรูปเดียวเพื่อมีความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคหรือในปฏิปทาเธอทั้งหลายจงถามเถิดจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่าพระศาสดายังอยู่ต่อหน้าเราไม่กล้าทูลถามในที่เฉพาะพระพักแม้ครั้งที่สามพิสุเหล่านั้นได้นิ่งเงียบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพิสุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายไม่กล้าถามเพราะความเคารพในาศาสดาก็ขอให้ภิกษุผู้เป็นเพื่อนบอกความสงสัยแก่ภิกษุผู้เป็นเพื่อนให้ถามก็ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นได้นิ่งเงียบท่านพระอนได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏข้าพระองค์เลื่อมใสในภิกษุสงฆ์อย่างนี้ว่า แม่พิสุเพียงรูปเดียวก็ไม่มีความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคหรือในปฏิปทาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เธอกล่าวเพราะความเลื่อมใสแต่ตถาคตมียานอย่างรู้ในเรื่องนี้ดีว่าในพิกษุสง์นั้นแม้พิกษุเพียงรูปเดียวก็ไม่มีความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคหรือในปฏิปทา ในจานวนภิกษุห้าร้อรูปภิกษุผู้มีคุณธรรมขั้นต่ำสุดเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสาเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงทําหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทนี้เป็นพระปฏชบิมวาจาของพระตถาคตเรื่องพุทธปรินิพานต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเข้าปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานทรงเข้าทุติยฌานออกจาก Ms. ท RS ุติยฌานทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานทรงเข้าจตุทชฌานออกจากจ sure. สสตุทชฌานทรงเข้าอาการสานัญญาตนะสมาบัติออกจากอาการสานัญญาตนะสมาบัติทรงเข้าวิญญาณัญญาตนะสมาบัติออกจากวิญญาณัญจาตนะสมาบัติ ทรงเข้าอากินจัญญายตานะสมาบัติออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตานะสมาบัติออกจากเนวสัญญานาสัญญายตานะสมาบัติทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธขณะนั้นท่านพระอานนลเรียนถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะผู้เจริญพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วหรือ ท่านพระอนุรุทธะตอบว่าท่านอานนนผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพ า, านทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญาญตนสมาบัติออกจากเนวสัญญานาสัญญาญตนสมาบัติทรงเข้าอากินจัญญาญาตนสมาบัติ ออกจากอากิญจัญญายญาณสมาบัติทรงเข้าวิญญาณัญจายาณสมาบัติออกจากวิญญาณัญจายาณสมาบัติทรงเข้าอากาสานัญจายาณสมาบัติออกจากอากาสานัญจายาณสมาบัติทรงเข้าจตุตฌานออกจากจตุตฌานทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานทรงเข้าทุติยฌาน ออกจากทุติยชาญทรงเข้าปฐมชาญออกจากปฐมชาญทรงเข้าทุติยชาญออกจากทุติยชาญทรงเข้าตติยชาญออกจากตติยชาญทรงเข้าจตุทชาญออกจากจตุทชาญแล้วได้เสด็จดับขันธปรินิพานในลำดับถัดมา พระผู้มีพระภาคสเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงน่ากลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์ก็ดังกึกก้องขึ้นพร้อมกับการสเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานเมื่อพระผู้มีพระภาคสเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานเท้าสหัมบดีพรมกล่าวคาถานี้ขึ้นพร้อมกับ ก, บการสเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานว่า สัพสัตจะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกพระศาสดาผู้หาใครเปรียบเทียมไม่ได้ในโลกผู้เข้าถึงสภาวะตามความเป็นจริงผู้บรรลุพระธรรมผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเช่นนี้ก็ยังปรินิพานเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพานเท้าสักกะจอมเทพกล่าวคาถานี้ขึ้นพร้อมกับการเสด็จดับขันธปรินิพานว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนามีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วท่านพระอนุรุท ธ, ธกล่าวคาถาเหล่านี้ขึ้นพร้อมกับการเสด็จดับขันธปรินิพานว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกของพระผู้มีพระภาค ผู้มีพระไทยมั่นคงผู้คงที่ไม่มีแล้วพระมุนีผู้ไม่หวั่นไหวทรงมุ่งใฝ่สันติปรินิพานเสียแล้วพระองค์ผู้มีพระไทยไม่หดหู่ทรงอดกลั้นเวทนาได้มีพระไทยหลุดพ้นแล้วดุดดวงประทีปที่เคยชั่วช่วงดับไปฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธ์ปรินิพานแล้วท่านพระอานนุ์กล่าวคาถานี้ขึ้น พร้อมกับการเสด็จดับขันธปรินิพานว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระอาการอันล้ำเลิศทุกอย่างปรินิพานแล้วได้เกิดเหตุอัศจรรย์ น, น่ากลัวขนพองสยองกล้าว เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดดบขันทปรินิพานแล้วบรรดาภิกษุเหล่านั้นพวกที่ยังมีราคะพากันประคองแขนครื่มครวนล้มกลิ่งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพานพระสุคด่วนปรินิพานเสียจากสุขของโลกด่วนอันตรธานไปแล้วส่วนภิกษุผู้ไม่มีราคะมีสติสัมปชัญญะ ก็อดกลั้นได้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเราสัตว์จะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขา น, นี้ครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเตือนภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเลยผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกอย่าคร่ำครวญเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเคยตรัสสอนไว้ไมิใช่หรือว่าความพลัดพรากความทอดทิ้งความแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น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 พวกเทวดาเป็นอย่างไรทำใจได้หรือท่านพระอนุรุทธะตอบว่าท่านอานน์มีเทวดาบางพวกเป็นผู้กำหนดแผ่นดินขึ้นบนอากาศสยายผมประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญล้มกลิ่งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพานพระสุคตด่วนปรินิพานเสียจากสุขของโลกด่วนอันตรธานไปแล้ว มีเทวดาบางพวกเป็นผู้กำหนดแผ่นดินขึ้นบนแผ่นดินสยายผมประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญล้มกลิ่งเกลือไปมาเหมือนคนเท้าขาดและถึงส่วนเทวดาที่ไม่มีราคามีสติสัมปชัญญะก็อดกลั้นได้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเราสัจจะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขาร น, นี้ท่านพระอนุรุทธะกับท่านพระอนอนท์ ให้เวลาผ่านไปด้วยการแสดงธรรมมีกถาตลอดคืนยันรุ่งต่อมาท่านพระอนุรุทธะสั่งท่านพระอนนท์ว่าไปเถิดอานนท์ผู้มีอายุท่านจงเข้าไปยังกรุงกุสินารา แจ้งแก่เจ้ามันละทั้งหลายผู้ครองกรุงกุสินาราว่าว่าเศรษฐะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรหน้าบัดนี้เถิดท่านพระ อ, อนนท์รับคาแล้วตอนเช้าจึงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรนเข้าไปยังกรุงกุสินาราเพียงผู้เดียวขณะนั้นพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินารา กำลังประชุมกันอยู่ที่สันถาคารเกี่ยวกับเรื่องปรินิพานท่านพระอ น, นุ์เข้าไปที่สันถาคารของพวกเจ้ามันละแล้วถวายพระพรว่าว่าเศรษฐะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคปริญิพานแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้เถิดพวกเจ้ามันละโอรสสุนิสาและประชาบดีของพวกเจ้ามันละ พอได้จดับข่าวจากท่านพระอานนท์อย่างนี้แล้วทรงโศกเสียพระไทยเปลี่ยนไปด้วยโทมานต์บางพวกสยายพระเกศาทรงประคองพระพาหาทรงกันแสงคร่ำครวญล้มกลิ่งเกลือไปมาเหมือนคนเท้าขาดทรงเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพานพระสุคตด่วนปรินิพานเสียจากสุขของโลกด่วนอันตรธานไปแล้ว บูชาพระพุทธสรีระลำดับนั้นพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินารารับสั่งขราชบริพารว่าพนายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมของหอมระเบียบดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกอย่างที่มีในกรุงกุสินาราไว้ให้พร้อมแล้วทรงถือเอาของหอมระเบียบดอกไม้เครื่องดนตรีทุกอย่างและผ้าห้า้อยคู่เสด็จเข้าไปยังสารวันของพวกเจ้ามันละ ซึ่งเป็นทางเข้าเมืองตรงไปยังพระพุทธสริระแล้วทรงสักการะเคารพนบนอก บ, บูชาพระสริระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมทรงดาดเพดานผ้าตกแต่งมณฑลมาลาอาจให้วันนั้นหมดไปด้วยกิจกรรมอย่างนี้ต่อมาผู้เจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินาราทรงดาริว่า วันนี้เย็นเกินไปที่จะถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคพรุ่งนี้เราจึงค่อยถวายพระเพลิงจากนั้นก็ทรงสักรระเคารพนกนอบบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมทรงดาดเพดานผ้าตกแต่งมณฑลมาลาอาจ ให้เวลาวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกหมดไปพอถึงวันที่เจ็ดพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินาราทรงดำริว่าเราสักระเคารพนบนอม บ, บูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนราขับร้องประคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมจะอัญเชิญพระสรีระไปทางทิศใต้ของเมือง เสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระสุริระของพระผู้มีพระภาคข้างนอกพระนครทางทิศใต้ในวันนั้นประมุขเจ้ามันละแปดองค์ทรงสนานพระเสียรแล้วทรงพระภูษาใหม่ด้วยตั้งพระไทยว่า พวกเราจะอัญเชิญพระสิริระของพระผู้มีพระภาคขึ้นแต่ไม่อาจจะยก ข, ขึ้นได้พวกเจ้ามันละผู้ครองกลุ่มกุชินาราจึงตรัสถามท่านพระอนุรุทธะว่าท่านพระอนุรุทธะอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ประมุขเจ้ามันละแปดองนี้ทรงสงสนานพระเสียรแล้วทรงพระภูษาใหม่ด้วยตั้งพระทัยว่า พวกเราจะอัญเชิญพระสิริระของพระผู้มีพระภาคขึ้นแต่ไม่อาจจะยกขึ้นได้ท่านพระอนุรธธธุทธะถวายพระพรว่าว่าเศรษฐะทั้งหลายมหาบพิษมีพระประสงค์อย่างหนึ่งพวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งพวกเจ้ามันละตรัสถามว่าพวกเทวดามีความประสงค์อย่างไรพระคุณเจ้าท่านพระอนุรธธธธุทธะถวายพระพรว่ามหาบพิษ มีพระประสงค์ว่าเราจักสักการะเคารพนบนอกบูชาพระศุริระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมจะอัญเชิญพระศุริระไปทางทิศใต้ของเมืองเสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระศุริระของพระผู้มีพระภาคข้างนอกพระนครทางทิศใต้แต่พวกเทวดามีความประสงค์ว่าพวกเราจะสักการะ เคารพนบนอบบูชาพระศริระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมอันเป็นทิพย์จะอัญเชิญพระศิริระไปทางทิศเหนือของเมืองแล้วอัญเชิญเข้าสู่เมืองทางประตูด้านทิศเหนืออัญเชิญผ่านใจกลางเมืองแล้วออกทางประตูด้านทิศตะวันออกเสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระศริระของพระผู้มีพระภาค ที่มาุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามันละทางทิตะวันออกของเมืองพวกเจ้ามันละตรัสว่าขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิดพระคุณเจ้าก็ในเวลานั้นทั่วกรุงกุสินารากระทั่งซอกเรือนท่อน้ำทิ้งและกองขยะได้ระดาษไปด้วยดอกมณฑารอยางต่ำสูงถึงเขา่าพวกเทวดาและพวกเจ้ามันละ พากันสักระเคารพนบนอกบูชาพระศริระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมทั้งที่เป็นของทิพย์และที่เป็นของมนุษย์อัญเชิญพระศริระไปทางทิศเหนือของเมืองแล้วเข้าสู่เมืองทางประตูด้านทิศเหนืออัญเชิญผ่านใจกลางเมืองไปออกทางประตูด้านทิศตะวันออก เสร็จแล้วจึงประดิษฐานพระสรีระของพระผู้มีพระภาคณะมกุฏพันธนะเจดีของพูกเจ้ามันละทางทิศตะวันออกของเมืองจากนั้นพวกเจ้ามันละได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า พวกข้าพเจ้าจะพึงปฏิบ like ัต <th> ิต่อพระศริระของพระตถาคตอย่างไรพระคุณเจ้าท่านพระอานน์ถวายพระพรว่ามหาบภิษพึงปฏิบัติต่อพระศิริระของพระตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพัทนั่นแหละพวกเจ้ามันละตรัสถามว่าพวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพัทอย่างไรพระคุณเจ้า ท่านพระอาณนทวายพระพรว่าพวกเขาใช้ผ้าใหม่ห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักพรพรรดิเสร็จแล้วจึงห่อด้วยสำลีบริสุทธิ์แล้วจึงห่อด้วยผ้าใหม่อีกชั้นหนึ่งทำโดยวิธีนี้จนห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักพรพรรดิด้วยผ้าและสำลีได้พันชั้นแล้วอันเชิญพระบรมศพลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมันใช้รางเหล็กอีกอันหนึ่งครอบแล้ว ทำจิตกาทานด้วยไม้หอมล้วนแล้วถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิสร้างพระสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ที่ทางใหญ่สีแพร่งพวกท่านพึงปฏิบัติต่อพระศริระของพระตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิพึงสร้างพระสถูปของพระตถาคตไว้ที่ทางใหญ่สีแพร่งชนเหล่าใดจกยกระเบียบดอกไม้ของหอมหรือจุน จากถวายอภิวาทหรือจากทำจิตเลื่อมใสในพระสถูปนั้นการกระทำนั้นจากเป็นไปเพื่อเื้อวคูลเพื่อสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนานลำดับนั้นพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินารารับสั่งพราชบริพารว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเตรียมสำลีบริสุทธิ์ไว้ให้พร้อมจากนั้นทรงใช้ผ้าใหม่ห่อพระศุริระของพระผู้มีพระภาค เสร็จแล้วจึงห่อด้วยสำลีบริสุทธิ์แล้วจึงห่อด้วยผ้าใหม่อีกชั้นหนึ่งทำโดยวิธีดังนี้จนห่อพระสิริระของพระผู้มีพระภาคด้วยผ้าและสำลีได้พันชั้นแล้วอัญเชิญพระสิริระลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมันใช้รางเหล็กอีกอันหนึ่งครอบแล้วทำจิตกาทานด้วยไม้หอมล้วนแล้วอัญเชิญพระศิริระของพระผู้มีพระภาคขึ้นสู่จิตกาทาน พระมหากัสสปะเถระสมัยนั้นท่านพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพิสุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห0 0ร้อรูปเดินทางไกลาจากกรุงปาวาไปยังกรุงกุสินาราขณะที่ท่านพระมหากัสสปะแวะลงข้างทางนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งพอดีมีอาชีวาคนหนึ่งถือดอกมณฑารพบจากกรุงกุสินาราเดินสวนทางจะไปกรุงปาวาท่านพระมหากัสสปะ เห็นอาชีวกนั้นกําลังเดินมาแต่ไกลจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านรู้ข่าวพระาศาสดาของพวกเราบ้างไหมเขาตอบว่าเรารู้ข่าวท่านพระสมณะโคโดมปรินิพานได้เจ็ดวันเข้าวันนี้เราถือดอกมณฑารพดอกนี้มาจากที่ปรินิพานนั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นผู้ที่ยังมีราคะบางพวกประคองแขนคร่ําครวญ ล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคดวนปรินิพานพระสุคด่วนปรินิพานเสียจักสุของโลกดวนอันตรธานไปแล้วส่วนภิกษุผู้ไม่มีราคะมีสติสัมปชัญญะก็อดกลั้นได้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเหาสัตว์จะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขาร น, นี้ สมัยนั้นมีภิกษุผู้บวชตอนแก่ชื่อสุภัทธ์นั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าอย่าเลยท่านผู้มีอายุอย่าเศร้าโศกอย่าเครื่มครวญเลยพวกเรารอดพ้นแล้วจากมหาสมณะรูปนั้นที่คอยจ่มจี้จ่มฉัยพวกเราอยู่ว่าสิ่งนี้ควรแก่พวกเธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกเธอบัดนี้ เราปรารถนาสิ่งใดก็จะทาสิ่งนั้นพวกเราไม่ปรารถนาสิ่งใดก็จะไม่ทาสิ่งนั้นลาดับนั้นท่านพระมหากรสปะเรียกภิกษุทั้งหลายมาตักเตือนว่าอย่าเลยท่านผู้มีอายุอย่าเศร้าโศกอย่าคร่ําครวญเลยพระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ก่อนอย่างนี้ว่าความพลัดพรากความทอดทิ้งความแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมี